และพระพุทธเจ้ายังมีอะไรมีคุณธรรมคือศรัทธาด้วยพระพุทธเจ้ามีศรัทธามีฮิริมีโอต ป, ปะนะนะมีวิริยะมีสติมีปัญญามีปฐมฌานเป็นต้นเรียกว่าจารณะสิบห้าวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะพระองค์นิสุขโตไปดีแล้วพระพุทธเจ้าไปดีนี้ไปไหนไปสู่พระนิพพานไปด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรไปตามอริยมรรคถ้าไปดีจริงก็ต้องไม่ย้อนกลับมาหา กิเลสไม่ไปด้วยอำนาจบาปอกุศลไปตามมัชฌิมาปฏิปทาไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจและไปเพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสุขโตโลกวิทูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งลูกอนุตตรปุริสธรรมมสารทิซึ่งอันนี้คือที่ตั้งแห่งศรัทธาพระบอกว่าอริยสาวกที่ มีความมั่นคงเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเขาให้จิตของเขาเนี่ยโคจรไปในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในอิติปิโสเป็นต้นถ้ายิ่งเข้าใจเท่าใดเนี่ยนะศรัทธาก็จะมีกําลังยิ่งขึ้นเท่านั้นความรอบรู้ความเข้าใจก็จะมีเท่านั้นมัณสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานศรัทธาได้มากที่สุดเพราะถ้าเราจะมีศรัทธาดวงน้อ ย, อยจะศรัทธาที่ไม่ค่อยจะมาก บางคนบอกวุ้ยเขาศรัทธามากนะเขาว่างั้นนะเขามาไม่อยากเถียงหรอกแต่จะเล่าให้ฟังว่าศรัทธาจริงๆไม่ได้มากาถามอย่างนี้ว่าเอาวันหนึ่งคุณคิดถึงพระพุทธเจ้ากับคิดถึงลูกหลานอัไหนมากกว่ากันเอาบอกว่าศรัทธาพระพุทธเจ้ามากมากแต่วันหนึ่งคิดถึงหน่อยเดียวที่เหลือคิดถึงแบ่งไปคิดเรื่องลูกมั่ง คิดเรื่องลูกสามชั่วโมงคิดเรื่องงานห้าชั่วโมงคิดถึงเรื่องหลับเรื่องนอนที่อยู่ที่กินรสราเรื่องบ้านช่องห้องหอการเมืองบางทีพูดเรื่องบ้านเมืองมากละเรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่ามีศรัทธามากมากได้ยังไงคิดถึงครั้งเดียวเองบอกว่าคิดถึงรู้ยศรัทธาพระพุทธเจ้ามากอันนี้ปฏิตัดทิ้งได้เลยว่าจริงๆแล้วเลื่อมใสไม่มากถือว่านิดเดียววันหนึ่งเนี่ยวัดกันที่นาทีเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่นาที อาหังซ้ำมาบางทีรีบด้วยซ้ำไปนะแสดงว่าศรัทธาไม่ได้มากอะไรบอกอ้เชื่อมากก็ถ้าคิดว่าตัวเองเชื่อมากก็ตามใจนะแต่ว่าเอาเช็คใช้วิชาคณิตศาสตร์มาเอาวิชานาทีชั่วโมงมาจับดูแล้วทั้งชีวิตคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งตลอดชีวิตนะสมมติเอาคิดหนึ่งทีละแวบทีละแวบคิดครั้งละเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าสามนาที หรือ10นาทีเพราะสวดมนต์ก่อนนอนบ้างตื่นนอนมาบ้างคิดถึงพระพุทธเจ้าอารหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาผู้ทางพระควันตงังพระควอาอภิวาเทมิบางคนอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาเป็นต้นอ่านะเช้ากับเย็นบ้างแต่ถ้าแบบถ้าเช้ากับเย็นนะใช้เวลาสวดมนต์กี่นาทีอ่ะ เอาเฉพาะตัวพุทธคุณนะเรื่องอื่นยกจงยกไว้อาจจะไปสวดมนต์วิชาบทอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะรยาา่ร้คาถาอาคมเวทมนต์ขลังอะไรเยอะแยะไปช่างเถอะแต่ว่าอยู่กับพระพุทธคุณจริงๆอ่ะถึงช่วงถึงสิบนาทีไม่ต่อวันนะหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันนั้นตลอดชีวิตเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งกี่นาทีนะถรามาวัดกันตรงนี้จะรู้ว่าไม่มากนะถือว่าศรัทธาเนี่ยไม่มากทีนี้ เมื่อศรัทธานี้ไม่มากแล้วความเข้าใจในพระพุทธคุณเนี่ยมากไหมบอกถ้าไม่มากถ้าไม่มากเนี่ยนะชื่อบอกได้เลยว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนจิตของเรานี่ไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะสามารถปฏิสนธิได้ทุกแห่งจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกถ้าใครสังเกตสักนิดหนึ่งมันเป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวที่มันเพาะงอกทุกที่ที่ไหนสัตว์เกิดไม่ได้บ้างยมใครว่าไหมสังเกตดูที่ไหนที่สัตว์เกิดไม่ได้บ้าง ที่ไหนที่ไม่มีสัตว์มั่งอ่ะนะโดยที่สุดบางคนกขบอกนี่ในในอากาศนี่ไม่มีสัตว์เขาบอกว่าไข่บางอย่างเนี่ยนะมันอยู่กับฝุ่นในอากาศไข่บางอย่างนะมันอยู่กับฝุ่นในอากาศได้อยู่ได้เป็นปีนะกว่ามันจะมันจ ะ, ม, นจะมันจะอะไรนะกว่ามันจะเผลดเผลดอะไรออกมาพ่านมันอยู่ กับสัตว์สัตว์ได้หมดเลยอยู่ได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าปูนั่งของโยมก็มีสัตว์อยู่นะอย่าไปคิดว่าเพราะฉะนั้นคิดถึงอะไรที่เกิดได้หมดบอกว่าในคำภีร์เขาพูดถึงเรื่องพระที่สุรูปเนึ่ยโอ้ยนอนคิดถึงจีวรฟืนสวยตายคืนนั้นเกิดไปที่ไหนว่าเกิดอยู่ในจีวรอ น, อ น, นั้นแหละเกิดในจีวรแล้วเกิดเป็นเลนเกิดเป็นตัวรายฝุ่นนะนะรายฝุ่นนิดเดียวอยู่นะแล้วก็เป็นเลนอ่ะเป็นตระกูลไรายฝุ่นเกิดที่เลนอายุเจ็ดวันตาย ดีว่าอดีตเคยเป็นพระภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เลยตายจากเลนและไปเกิดในสวรรค์ก็ยังชั่วหน่อยเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทําบุญมาดีแล้วตายจากเลนไปไหนต่อเนาะถ้าไปคิดถึงนางสาวเลนแล้วก็เลยยาวเลยกันเนี่ยเนี่ยเพราะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเขาวัดกันที่คุณภาพของจิตจิตเนี่ยเป็นตัวพาไปชักไปจิตที่ดีมีคุณภาพก็จิตที่มีศรัทธา เพราะว่าบุคคลจะล่วงพ้นจากทุกได้พ้นจากวัฏฏะได้ก็ด้วยศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องแรกเ น, นี่ยยากนะเพัาะศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราถ้าจะให้ใจเรามีศรัทธามีคุณค่ามีคุณภาพมีอนุภาพยิ่งๆิ่งขึ้นเนี่ยนะเราต้องปลูกใจไว้กับสถานที่ที่ดีและก็มีความมั่นคงสูงพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นสถานที่ที่ควรฝากศรัทธาไว้ดีที่สุด แม้กระทั่งว่าในยุคสมัยสมัยนี้โดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยนะสมัยที่คนเนี่ยะอเริ่มใส่ผิดที่ไปเริ่มใส่ในลูกของชาวบ้านซะส่วนใหญ่ก็คือมาพระพิสูจน์ในยุคนี้นะถ้าเราพูดแบบไม่ค่อยเกรงใจก็ลูกหลานเรานั่นแหละมาบวชนะพูดเข้ามาพูดไม่ผิดเราก็ยมพ่อก็นั่งอยู่ตรงนี้นะก็ลูกหลานชาวบ้านธรรมดาเรานี่แหละไปบวชเพราะฉะนั้นท่านก็คือลูกหลานของพวกเราทั้งหลายคือเครือญาติของเราทั้งหลาย หลายท่านก็ดีจริงหลายท่านโดยมากดีไม่จริงเมื่อดีไม่จริงถ้าเราเอาศรัทธาไปฝากไว้กับบุคคลที่ไม่คู่ควรแก่ศรัทธาเนี่ยนะหมดตัวแน่เคยมีพระบางรูปพอศึกไปขนั้น่ะโอ้ยยมเอาเทพเอาอะไรไปเผาทิ้งหมดเลยบอกโอ้ยเนี่ยไม่ดีจริงเอาคนนั่ น, นสิทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างนี้หรอกปมั้นเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาขึ้นก็แสดงว่าเมื่อจิตใจเราเปลี่ยนไปเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เรามาเลื่อมสายผิดที่เพราะฉะนั้นเราต้องฝากใจของเราไว้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็คือพระพุทธเจ้าก็ยังคือพระพุทธเจ้าอยู่ดีเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าเสื่อมแล้วไม่ไม่มีเพราะถ้าเราจะฝากศรัทธาของเราควรฝากไว้ที่พระพุทธเจ้าจะเลื่อมสโนาย no, อยู่แล้วเนี่ยถ้าฝากไว้ผิดที่เนี่ยน่าสงสารมาก นางสารอย่างจริงถ้าหากว่าเราเลื่อมใสในวัตถุอันที่ไม่คู่ควรแก่การเลื่อมใสถ้าบางคนบอกว่าโหจะหาพระดีๆสักองค์เลื่อมสนี่ยากเหลือเกินอ้าวแล้วพระพุทธเจ้าดีขนาดนี้ทําไมไม่เลื่อมใสล่ะ น, นะก็คิดถึงใครไม่ได้ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะแล้วพ้นจากทุก์แน่นอนมันจะต้องพยายามศึกษาอิติปิโสให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจให้ดีๆโยมตรงเนี้จะช่วยให้เราพ้นทุกได้ทีนี้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ตั้งแต่คำว่าอารหังสัมมาสัมพุทธโววิชาจารณะสัมปันโนระลึกถึงด้วยความนอบน้อมด้วยความบูชามีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าผู้ที่เขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่มื่นไม่ใช่แสนเกินกว่านั้นอยอะที่ไปสวรรค์เพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าที่ไปดีเพราะคิดถึงพระพุทธเจ้านันก็ถามว่า ในมิลินน่ะปัญหาเขาพูดก็ตั้งคําถา ม, ถามพระเจ้ามิลินเขาถามว่านี่พระนาคเษนแต่ว่าพระคุณเจ้าว่างั้นข้าพระเจ้าไม่เชื่อหรอกนะที่พวกท่านพูดกันว่าอคนคนหนึ่งทําบาปครั้งเดียวตายแล้วตกนรกก็อีกคนคนหนึ่งทําบาปมาชั่วชีวิตก่อนตายคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปสวรรค์ไม่เชื่อว่างั้นไม่เชื่ออ่านะถ้าถ้าโยมไม่ยอมเชื่อมหมยังไงฟังขึ้นไหม แม้ทำบาปมาเกือบตลอดชีวิตตายแล้วไปคิดถึงพระพุทธเจ้าครั้งเดียวแล้วเกิดในสวรรค์อีกคนหนึ่งทำบาปครั้งเดียวคิดถึงบาปอันนั้นแล้วตกนรกฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลนะท่านอย่างนั้นอพระนาคเกษก็บอกว่ามหาวพิธถ้าหากว่าเราเอาก้อนหินเนี่ยเท่ากับปั้นเนี่ยโยนลงไปในน้ําเนี่ยมันจะลอยไหมหินแท้ทเลยเนี่ยนะไม่ใช่หินเทียมหินโฟมไม่ใช่นะหินแท้เลย โยนเข้าไปไม่มีอะไรรองรับเลยเนี่ยยมวาจมนะไหมไม่ใช่น้ําแข็งนะน้ำธรรมดาเนี่ยโยมว่จมไหมบอกจมแต่ถ้าหากว่าเอาหินเนี่ยนะซักพันตันเออซักร้อยตันเอาเอาหินร้อยตันเนี่ยไปวางลงในเรือบรรทุกเครื่องบินไว้ในทะเลเนี่ยมันจะจมไหมโยมว่าไม่จมทําไมอะ่ะเพราะมีเรือลําใหญ่รองรบับหินนั้นก็ไม่จมหลายคนทั้งจะทําบาปมากก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าแปลว่าต้องตกนรก ถ้าหากว่าราลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับเรือแพลําใหญ่ที่จะทําให้ไม่จมงะั้นคนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ตกนรกคนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วตกนรกคือคนที่ทําอนันตริยกรรมเท่านั้นแหละจึงจะตกนรกเช่นใครพระเทวทัตพระเทวทัตสํานึกในพระคุณของพระพุทธเจ้ามากก่อนตายแต่เนื่องจากอนันตริยกรรมเนี่ย น, นะก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเสร็จก็นึกถึงความชั่วที่ตัวเองทํากับ พระพุทธเจ้าต่อก็เลยตกนรกเพราะจิตเศร้ามองกนตายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยนะหลายคนก็บอกแม้ชีวิตของเขาเนี่ยมันอาภาพมานึกถึงความหลังเมื่อไหร่ก็ไม่สบายใจเลยบอกไม่ต้องนึกถึงเรื่องของตัวเองแล้วบัตรนี้แล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพ อ, อนะอะไรก็ช่างเถอะอดีตมันจะผ่านมายังไงก็ช่างเถอะมันไม่ใช่เวลาที่มาชาระสะสางสะสางประวัติเก่าตัวเองให้ดีขึ้นได้ไหม ตกแต่งบัญชีได้แต่ตกแต่งประวัติตัวเองให้ในใจแล้วบอกว่าทัานนี่ดีมาตลอดบอกทำยากเพราะฉะนั้นเราต้องมาแต่งใจของเราให้มันดีแต่งที่ด้วยการคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้บ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราอยู่กับพระพุทธเจ้าได้กี่นาทีถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าได้10นาทีเราเจริญพุทธานุสติได้10นาทีการปฏิบัติเขาวัดกันที่จิตไม่ใช่วัดกันที่ร่างกาย มันได้นั่งมากแล้วปฏิบัติมากยืนมากแล้วปฏิบัติมากเดินมากแล้วปฏิบัติมากหรือนอนมากแล้วปฏิบัติมากเขาวัดกันที่คุณภาพของสติคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยมากเรียกว่าพุทธานุสติแปลาภาษาไทยบอกพุทธานุสติเจริญยังไงบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆนั่นแหละคือการเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะอนุสติแปลว่าการระลึกถึงไอ้ระลึกถึงก็คิดถึงนั่นแหละระลึกมันเข้าใจา ย, ยากบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นไหม พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงพระองค์บ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าเจริญพุทธานุสติถ้าหากว่าก่อนตายคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไปสุขติเว้นไหมแต่ด่าพระพุทธเจ้าไว้นะนี้ช่วยไม่ได้นะของใครก็ของใครนะ่ะขอขมาพระพุทธเจ้าไว้เถอะแต่ถ้าพูดถึงธรรมดาเนี่ยนะถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายได้ไปดีแค่นั้คิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไปดีแน่นอนปัญหาต้องฝึกซ้อมก่อนนะฟ้าผ่าเปรี้ยงมาคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วคิดถึงอะไรก่อน ถ้ารถทำท่าจะประสบอุบัติเหตุคิดถึงอะไรก่อนด่าคนตรงข้ามเลยใช่ไหมทำให้คิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ปลอดภัยนะเพราะถ้าไม่สบายปวดหัวปั๊บคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนหรือว่าคิดถึงยาก่อนเดีย๋ยวต้องเอาตรวจเช็คให้มันตรวจสอบให้มันดีๆให้มันมั่นใจว่าอะไรเกิดขึ้นก็ช่างขอคิดถึงพระพุทธเจ้าพระโสดาบันนางหนึ่งเนี่ยนะความที่นางสังสมพุทธานุสติสังสมพุทธคุณเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า นางเดินสะดุดนิดหนึ่งก็บอกนะโมตัสสะภควะตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะแปลภาษาไทยว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นอะไรแบบอะไรดั ง, ง, งก้องแกงก็ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคิดได้อย่างนี้ตลอดมีอ่าทีนี้สามีเนี่ยมันตำคาญมากเลย สามีนี่รำคาญเพราะนับถือคนละาศาสนาเมีย น, นี่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นพระโ์ดาบันพลวนี่เป็นคนละาศาสนากันแม้คำพูดนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะรำคาญที่สุดในบรรดาคำทั้งหลายมันไส่มากเลยเทำไงดีเนาะมีวันหนึ่งเขาก็เลยเลี้ยงนักบวชศาสนาของเขาห้าร้อยท่านบอกนี่หล่อนบอกว่าเธอเนี่ยวันนี้ฉันขอร้องเธออย่าพูดถึงสมณะโลนสักวันหนึ่งได้ไหมรำคาญมากเลย บอกไม่ได้ไม่ได้ฉันจะฆ่าเธอทิ้งไหมฆ่าให้ตายฉันก็ไม่เลิกไม่รู้จะทำยังไงชักดาบมาแล้วก็ไม่เลิกพูดไม่ได้ในที่สุดก็บอกก็จะพยายามไม่พูดอนะแต่ให้เลิกคิดเนี่ยคงทาไม่ได้หรอกแต่ว่าจะพยายามไม่พูดให้ได้ยินในที่สุดนางวันนั้นเป็นวันทําบุญเลี้ยงพรามนางก็ไปช่วยสามีทําทํางานของสามีอนะก็ช่วยๆกันไปนี่ก็ถือทับพีแล้วไปเดินสะดุดอะไรไม่ทราบทับพีมันตก นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะโอโ้โหสามีนี่โกรธมากเลยสารเพื่อนักบวชคนละศาสนาเอ้ที่ถูกหลอกมามั้งเนี่ยก็เลยเดินกันไปหมดสามีนี่โกรธมากเลยนะบอกไม่รู้จะทํำยังไงกับเมียข้าก็ตายเพราะยังไงนางก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าอันนี้อยากจะย้อนนะเรื่องรายละเอียดเรื่องอื่นไม่เล่าต่อแต่อยากจะบอกว่าใจของเราเนี่ยถึงขนาดนั้นไหมเนะี่ยเราถ้าไม่ถึงขนาดนั้นนะ ชาติหน้าจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะไม่ค่อยปลอดภัยทีนี้บางคนก็บอกวอุยฉันปฏิบัติธรรมมามากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ไปดีตั้งคําถามว่าที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยของใครอันนี้รัฐทาเขาบอกว่าอในหลักการเป็นอย่างนงี้นะอันนี้พูดหลักวิชาให้ฟังนิดหนึ่งบอกว่าบุคคลที่เลื่อมไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมใสในพระธรรม บุคคลที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมใสในพระสงฆ์บุคคลที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมใสในศิกขาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาบุคคลผู้ไม่เล okay. ื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมใสในสมาธิบุคคลไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิมิใช่ฐานะที่จะเลื่อมใสในความไม่ประมาท แล้วก็ปฏิสันฐานเป็นต้นมันจะเป็นหลักการเป็นอย่างนี้เพราะนั้นผู้ใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเลื่อมใสในพระธรรมด้วยเพราะพระธรรมนี้เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ลืมไม่ลืมว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วท่านที่เราปฏิบัติตามนั้นขอปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถ้าหากว่าบางท่านห่วงการปฏิบัติมากบอกว่าเอ้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าทําไมเสียเวลาปฏิบัติ ต้องไม่ลืมว่าปฏิบัติธรรมของของใครก็ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติธรรมของเราเองอันนี้ใช่เมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเสียเวลาปฏิบัติเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นของเราหรือเป็นของอาจารย์ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วนะสมัยนี้ก็อย่างที่ว่าตลาดของเก่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะอยู่ใกล้กันลองพยายามระลึกให้ดีว่าเรายังเป็นไปตาม พระพุทธเจ้าไหมดําเนินไหมคนที่ศึกษาแล้วมีปัญหามากก็คือไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้ระลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าไม่น้อมที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําถ้าไม่น้อมปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําแนะนําไม่เจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้าแปลว่าถูกพระพุทธเจ้าทอดทิ้งหรือตัวเองทอดทิ้งพระพุทธเจ้าถ้าตัวเองทอดทิ้งพระพุทธเจ้าและจะเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้า ได้อย่างไรก็คือเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างพระพรัสดาบันทั้งหลายคือผู้ที่เขาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่เขาเห็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเห็นธรรมผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมถ้าผู้ใดเห็นธรรมจริงผู้นั้นก็เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้ามันจะต้องพยายามระลึกไว้เสมอโยธรรมมังปัสติโสมังปัสติเนี่ยนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราอย่างเราบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ อริยสัจถ้าเราปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจถ้าเราเห็นอริยสัจจะเห็นพระพุทธเจ้าผู้สอนอริยสัจด้วยนนั้ผู้ที่เห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าพระโสดาบันนะพระโสดาบันคือผู้ที่เห็นอริยสัจเราก็ใส่ใจเพื่อรู้เห็นอริยสัจเนี่ยนะถ้าเราเป็นพระโสดาบันธรรมะตัวนั้นเนี่ยนะผู้ที่เห็นอริยสัจเนี่ยความเห็นตัวนั้นเป็นสัมมาทิฐิเป็นสัมมาทิฏฐิชั้นสูงเรียกว่าสัมมา มัคคะสัมมาทิฏฐิมัคคะสัมมาทิฏฐิหรืออริยมรรคอันนั้นแหละธรรมะตัวนั้นแปละวะ่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วอนนี้นทำให้ไปเกิดที่ไหนเกิดในสุขติโลกสวรรค์เน่ยนะเป็นปัจจัยให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยถึงไปสู่สวรรค์แล้วก็ไม่เปลี่ยนใจในการนับถือพระพุทธเจ้าเน่ย น, อนะอารมภบทสยาวเลยเนี่ยจะเข้าเรื่องว่า พระโสดาบันเป็นต้นในสวรรค์เนี่ยเขาเจริญพุทธานุสติกันนะเทวดาทั้งหลายเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์สอนบุคคลทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นเทวดาสอนมนุษย์ให้ให้บรรลุธรรมไปเกิดเป็นเทวดาแล้วตามไปสอนให้บรรลุต่อไปอีกเป็นต้นนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนทั้งมนุษย์และเทวดา ข้อความในมหาโควินทสูตรเนี่ยนะทีคณิกายมหาวัคสูตรที่หกในมหาวัคเนี่ยนะบอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เขาคิดจกูดใกล้กรุงราชครึกครั้งนั้นแลปัญจสิกขเทคนทันเทพบุตรเรียกว่าเ ท, เทวดารูปหนึ่งอ่ะนะปัญจสิกันเทพบุตรนั้นเป็นชายหนุ่มเลี้ยงวัว เป็นชายหนุ่มเลี้ยงวัวแต่เป็นคนชอบทําบุญประเภทสาธารณกุศลเช่นดูแลดูแลเรื่องถนนหนทางเนี่ยนะช่วยเหลือในการสร้างหนทางสร้างศาลาข้างทางช่วยเหลือในการขุดบ่อน้ําขุดอะไรในอะไรที่เป็นสาธารณกุศลเนี่ยเขาทำํำมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้บุญอันนั้นทําให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ว่าเขาเกิดในตอนที่เขาเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธศาสนา มันเขาก็เลยไม่ได้ทําบุญในพระศาสนาแต่ก็ทําบุญประเภทสาธารณกุศลดูแลในเรื่องถนนหนทางเรื่องบ่อน้ำํำดื่มเรื่องศาลาที่พักข้างทางเป็นต้น น, นะแล้วเขาก็ทําเป็นคนหนุ่มที่ทําบุญอย่างเนี้ยมากแต่ก็ตายยังอยู่ในวัยหนุ่มยังมีจุกห้าจุกอยู่เลยก็เลยเรียกว่าพอพอไปเกิดในสวรรค์ก็ยังเป็นเทวดาที่มีห้าจุกอยู่นั่นแหละเรียกว่าเป็นเครื่องหมายก็เลยเรียกว่าปัญจสิกขคนทันเทพบุตร เป็นเทวดากลุ่มนักร้องเนี่ยนะไปเกิดเป็นเทวดาประเภทนักร้องคนทัรมนี่แปลว่ากลุ่มนักร้องปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรนั้นเมื่อราตรีปฐมพยายามผ่านไปราตรีเก้าวล่วงไปก็คือประมาณหลังสี่ทุ่มไปแล้วมีรัศมีงดงามยิ่งส่องเขาคิดกูกุให้สว่างไสวเนี่ยนะเป็นเทวดาส่องสว่างมาเลยนะลุงเรื่องนี้คิดถึงนะเขาคิดจูกุลนะเพิ่งไปขึ้นมาเนี่ย แล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอาภีวาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งปัญจสิก ข, ขคนทันเทพบุตรยืนแล้วก็แลนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าก็คือไปอเข้าไปสนทนากับพระพุทธเจ้าในชั้นต้นก็ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังก่อนว่าพระพุทธเจ้าค่า คำใดที่ข่าพระพุทธเจ้าได้ฟังต่อหน้าได้รับมาแล้วเฉพาะหน้าพวกเทวดาชั้นดาวดึงข่าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลบอกเล่าเรื่องนั้นถวายแด่พระพุทธเจ้าคือคือเขาเนี่ยเข้าไปที่ประชุมในสวรรค์มาเขาไปที่ประชุมมาเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเรื่องราวในที่ประชุมในสวรรค์นะ่ะมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปัญจสิกขะเธอจงบอกแก่เราเถิด เ, เล่าเถอะเล่าไป ปัญจสิขันคนทันเทพบุตรก็เล่าว่าพระเจ้าข่าวันก่อนหลายวันมาแล้วในวันอุโบสถที่สิบห้าคำเป็นราตรีวันเพนแห่งปวารณาพวกเทวดาชั้นดาวดึงทั้งสิน้นนั่งประชุมพร้อมเพียงกันที่สุธรรมสภาเขาก็จะมีสภาเนี่ยนะก็มีสภาของสวรรค์นเนี่ยนะก็เหมือนในโลกเนี่ยบ้านเมือง ท, ทุกบ้านเมืองก็จะมีสภาที่สวรรค์ชั้นดาวดืงก็มีสภาเนี่ยนะ ทิพยบริษัทเนี่ยนะทิพย์บริษัทมู่ใหญ่นั่งล้อมรอบก็มีเท้าสักกะเป็นประธานแล้วก็มีเทวดาอีก33ท่านก็เลยเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงมาจากเตปติงสะหรือตาวติงสาแปลว่า33เคิาเรียกว่าพวกสามสิาทำบุญแล้วไปเกิดเป็นพวกเดียวกันอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เลยเป็นชื่อที่มาของสวรรค์คำว่าดาวดึงเนี่ยนะดาวดึงหมายว่าพวกสามสิบสเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็จะมีเทพบริษัทอีก หลังจากนั้นก็มีเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ผู้นำนั่งประจำสี่ทิศหรือว่าอยู่ในสี่ทิศคือทิศตะวันออกนี้เท้ามหาราชทัตระทะเทวดาเป็นพวกเทวดาห้อมล้อมนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือคือตรงกลางนี้จะเป็นพระอินทร์แล้วก็จะมีพวกเทวดาสาสามท่านแล้วก็จะมีเทวดาเหล่าอื่นที่มีบุญหนักศักใหญ่เนี่ยนะแล้วก็เท้าทัตระทะเป็นราชาแห่งนักร้อง เทวดานักร้องคนทันสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยนะมี ม, มีมีเทวดาที่เป็นราชาอยู่สี่ท่านด้วยกันจาตุมมหาราชจาตุมก็แปลว่าจาตุกแปลว่าสี่มหาราชก็คือราชาเรียกเทวดาอยู่สี่กลุ่มด้วยกันเนะเป็นสี่กลุ่มพระอินเนี่ยตำแหน่งของพระอินเนี่ยครอบคลุมดาวเดืองกับชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมมีมหาราชสีองค์เนี่ยท้ามหาราชสีองค์เนี่ยที่ดูแลควบคุมมาถึง พวกเทวดาที่พวกภุมมะเทวดาขึ้นไปเช่นเท้ามทัตระฐะเนี่ยนะเป็นราชาของคนทันแต่ถ้าเป็นพวกผีสายนะักร้องทั้งหลายเนี่ยก็คืออยู่ในอะไรนะเครือข่ายเครือข่ายของเทวดาประเภทเทา้าทัตรธะธาเนี่ยนะเทวดาพวกกลุ่มนักแสดงเนี่ยนะเทวดานักแสดงถ้าเทวดาไหนเช่นอะไรนะพวกพวกผีสิงไหนแล้วสิงถูกผีสิงแล้วร้องรำทำเพลงเนี่ยแปลว่ามาจากสายคนทันมาเนี่ยนะ จะเทวดาสายนี้มาแล้วก็เทวดาท้าว 6, ะนะวิรุฬหกนะวิรุฬหโกวิรุฬหกเนี่ยพวกนี้เทวดาวเวดลอ้อมหันนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือนั่งอยู่ที่ใต้หันหน้าไปทิศเหนือท้าววิรุฬหกเนี่ยเป็นพวกกลุ่มพันุก์กุมพันธุก็เป็นยักษ์เอกตระกูลหนึ่งเนี่ยนะเป็นกลุ่มยักษ์ส่วนในทิศเหนือท้าวเข้าไปในทิศตะวันตกท้าวมหาราชวิรูปักษ์ะนะวิรูปักขะเนี่ยวิรูปักขะตระกูลนาคเป็นหัวน่ะด เป็นเทวดามหาราชที่ดูแลควบคุมถึงพญานาคเนี่ยนะพวกกลุ่มพญานาคเนี่ยจะขึ้นตรงต่อเท้าวิรูปักแล้วก็ทิศเหนือเท้ามหาราชเวสว ร, ร์เนี่ยนะท้าเวสว ร, ร์โนเนี่ยนะท้าเวส ว, ร, ร, ว, สว ร, ร์ก็คืออันนี้เป็นพวกที่ดูแลเป็นเทวดาของพวกยักษ์ทั้งหลายก็นั่งห้อมล้อมกันทั้งหมดนี้ประชุมกันที่ธรรมสภาเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึง พระพุทธเจ้าข้าก็แหละในเวลาที่เทวดาชั้นดาวดึงทั้งหมดเนี่ยนะด้วยการผู้นั่งประชุมกันอยู่ที่สุธรรมสภาทิพยบริษัทใหญ่เนี่ยเป็นผู้นั่งห้อมล้อมท้าวมหาราชทั้งสี่องค์ก็เป็นผู้นั่งประจําอยู่ในทิศทั้งสี่บอกว่าอาสนะนี้เป็นของพวกท่านเหล่านั้นคืออาสนานี้ชุดนี้เป็นของพระอินท์อาสนานี้เป็นของเทวดาอีกสามสิบสามองค์ อันนะั้นชุดนี้เป็นของท้าวมหาราชชุดนี้เป็นของอเทวดาทั่วๆไปชุดนี้เป็นบริวารของท้าวมหาราชนะผู้นําอยู่ณนะปฏิทินทั้งสี่ท้ายพวกหลังๆมาเนี่ยของข้าพระองค์นะเป็นเป็นพวกหลังๆมาเป็นอาสนะของพวกข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข้าพวกเทพเหล่าใดทีนี้อมันมีเหตุการณ์พิเศษในในขณะที่ประชุมสภาเทวดาเนี่ยนะก็มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นว่าพวก คนเหล่าใดเทวดาเหล่าใดเนี่ยที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดืองเมื่อไม่นานคือเรื่องเนี้เป็นสมัยต้นๆของที่พระพุทธเจ้าหลังตรัสรูสร้ไม่นานนะนะก็มีสอนพุทธบริษัทให้บรรลุมรรคผลแล้วไปเกิดในสวรรค์เหตุการณ์ตอนนั้นก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่นานเท่าไหร่นะไ ม, ไม่ไม่กี่ปีเนี่ยนะก็มีพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญา คำว่าพรหมจรรย์นั้นเป็นการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพวกนี้ก็พรหมจรรย์คืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะบอกพระโสดาบันเนี่ยทำอธิศีนให้บริบูรณ์อธิจิตพอประมาณอธิปัญญาพอประมาณเป็นพระโสดาบันสกทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีเนี่ยอธิศีลบริบูรณ์อธิจิตบริบูรณ์อธิปัญญาพอประมาณถ้าพระสารสมบูรณ์ด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญา ทีนี้ผู้ที่ประพฤติพรหมจารย์คืออธิศีน์อธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะเช่นพระโสดาบันก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพเหล่านี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเกิดทีหลังพวกเทวดาที่ไปเกิดก่อนๆแต่ก็รุ่งเรืองอย่างยิ่งถ้าเทียบกับเทพเหล่าอื่นเหนือกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีเทวดานี่เขาวัดกันที่ไหนรู้ไหยเขาวัดที่แสงพุ่งออกจากตัวรัศมีที่พุ่งออกจากตัวเนี่ยนะ ถ้าเทวดามีบุญมากรัศมีก็จะแรงมากเมื่อรัศมีแรงมากเทวดาอื่นต้องหลีกอาสนะให้สมมติถ้าสภาที่ประชุมเนี่ยนั่งกันอยู่นะถ้าคนมีบุญปั๊บเนี่ยไอ้พวกบุญน้อยๆจะถอยไปคนที่มาที่หลังก็จะมานั่งข้างหน้าวัดการที่ลําแสงนะวัดที่แสงเนี่ยหนึ่งวัดที่ยศคือบริวารว่าตอนที่มาร่วมเข้าประชุมเนี่ยมีบริวารมาขนาดไหนอย่างที่สามก็คือ พวกที่มีบุญมากจะอายุยืนเนี่ยนะพวกนี้อายุยืนเพราะเหตุนั้นเล่ากันว่าพวกเทพชั้นดาวเดืองนี่พากันชื่นใจดีใจกันมากบันเทิงใจเกิดปีติโสมนัสว่าโอ้หนอท่านผู้เจริญกายทิพ บ, บริบูรณ์อบายทั้งสี่ย่อมเสื่อมกายอสูนคืออบายสี่นี้เสื่อมแน่คือตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ปฏิบัติตามคําสอนไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นจํานวนมาก อ่ะนะฟังผู้ที่ไปอบายเนี่ยนะถ้าเทียบผู้ปฏิบัติแล้วไปอบายเป็นส่วนน้อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอบายเนี่ยว่างแน่นอนสวรรค์ น, นี่เจริญบริบูรณ์แน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ฉั้นเทวดาเขาดีใจกันมากเนี่ยนะเทวดาเขาไม่ริษยานะโอ้เดี๋ยวคนอื่นจะมาเกิดเป็นเทวดาร่วมกับฉันเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดอย่างนั้นเขาดีใจมากที่มีพวกเทวดาเยอะๆนะเนี่ยนะเมื่อมีเทวดามากๆเขาดีใจกัน ปัญจสิกขาคนทรรเทพบุตรก็กราบทูลเล่าเรื่องให้พระพุทธเจ้าฟังต่อไปว่าครั้งนั้นเล่เท้าสักกะจอมเทพส่งทราบความเลื่อมใสของพวกเทวดาชั้นดาวหนึ่งเท้าสักกะก็คือพระอินนะนะเท้าสกกะคือพระอินเนี่ยเห็นเขาเขารู้ว่าระจิตกันคือเทวดานี่บางทีก็แทบไม่ต้องพูดกันอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้กันนะนะเรียกว่าแค่มองหน้าก็รู้ใจว่า ง, งั้ น, นมองหน้ารู้ละอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไร มันอย่างเช่นกระคิดอะคนคนเขาเอาเค็งเขาแบบอนัคิดง่ายๆแบบภาษาเราเคนเขามองเราด้วยความโกรธเนี่เรามองออกไหมเขากําลังโกรธเราเขาวัดกันที่สภาวะนไม่ได้วัดกันที่เรื่องอะถ้าเขาโกรธเราเนี่ยเรามองตามองตาเรามองออกไหมว่าเขาโกรธเราถามว่าเขาชอบเราเนี่ย่ะตามองตาเราพอมองออกไหมว่าเขาชอบเราเป็นต้นเนี่ยมันจะรู้่คนหลับเนี่ยมองตารู้ไหมว่าเขากําลังง่วงมองออกไหม มองออกกันนะไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดตาหรอกมองตัวหัวก็รู้แล้วว่าโยกไปโยกมาเป็นต้นกับเราวงง่วงนั่นแหละก็คือสรุปว่าก็คือเ ข, เขาวัดกันที่ตัวความคิดเนี่ยนะวัดกันที่ตัวความคิดพราฉนั้นเขาเมื่อมองความคิดตัองเขาจะมองกันออกเนยนะเขามองออกเขาตรวจ ด, ดูวา่าละจิตว่าอีฝ่ายคิดอะไรเท้าสากะเนี่ยความที่เขามีปัญญามากเขารู้เลยว่าโอ้เทวดาทั้งหลายเนี่ยดีใจมากที่ที่อะไรที่มีเทวดาพวกใหม่ๆที่มาเกิดเนี่ย เป็นเทวดาที่มีบุญมากปลื้มใจแต่จริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอินทร์เนี่ยน้อยใจเหมือนกันน้อยใจอะไรรู้ไหมบอกว่าพวกที่บรรลุอึกมาเกิดเป็นเทวดาที่หลังนี่มีอํานาจหมดเลยมีบุญมากตัวเองเนี่ยนะเป็นใหญ่ก็จริงแต่บุญไม่มากคือคืออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์นในพระพุทธเจ้าคือคนที่ทําบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าบุญเหล่านั้นให้ผลนําเกิดก็เหนือกว่าคนอื่น แต่ถ้าพวกทำบุญอื่นๆทั่วไปที่ไม่ใช่ถึงสารณะศีลเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้บุญไม่ค่อยแรงว่าบุญไม่ค่อยมากเมื่อบุญไม่ค่อยมากรัศมีตัวเองก็ น, น้อยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะ้ายเมื่อวานาวันที่เดินทางมาเนี่ยนะเขามาเห็นเขารถบรรทุกแกลบคันหนึ่งเต็มคันสิบล้อมหมดเลยรถบรรทุกแกลบเนี่ยยงว่าเขาบรรทุกน้อยหรือบรรทุกมากเยอะหรือมากบรรทุกมาก ทีนี้ถ้าเทียมว่าถ้าว่ากับคนที่เขาเอาเพชรไปกรรมมือเดียวเนี่ยนะกับรถนั่นแหละบรรทุกแกลบทั้งคันเนี่ยแกลบกับเพชรกำ ม, มือเดียวอันไหนมีบุญราคามากกว่ากันคือบุญบางอย่างนี่เขาวัดกันที่ตรงและค่ายๆแบบนั้นอนะ่ะฉะนั้นบุญบางอย่างเนี่ยถึงจะดูเหมือนทําไม่มากแต่ว่ามันมีผลมากมีอันนิสงมากบุญบางอย่างทํามากแต่กําไรนิดเดียวเนี่ยนะมันก็ในผู้ศาสนาก็จะเน้นประเภทบุญที่มีผลมากบุญที่มี อันนี้สูงมากนะก็ทามันพวกที่ทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยมากโดยเฉพาะสมัยพุทธกาลเนี่ยพวกนี้เวลาเกิดในสวรรค์ก็เป็นพวกที่มีนะบุญเรียกว่ามีบุญมาก